กตุก ร, รมมยตาฉันทะที่คุณกันดีที่สุดก็คือฉันทาที่เป็นธรรมะข้อแรกในอิทิบาสีและที่เป็นสาระของสัมมาประธานทั้งสี่ข้อฉันทะประเภทนี้มีความหมายใกล้เคียงกับวิริยะหรือวายามะความพยายามและอุสาหะบางทีท่านก็กล่าวซ้อนกันไว้เพื่อเสริมความหมายของกันและกัน นับว่าเป็นคุณธรรมสําคัญที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญกิจกรณีต่างๆอย่างไรก็ดีกตุกรรมยตาฉันทานี้ท่านมักรวมเข้าไว้ด้วยกันกับฉันท่าประเภทที่สคือกุศลธรรมะชันท่าเสมือนจะถือว่าฉันท่าสองประเภทนี้เป็นอย่างเดียวกันเช่นฉันท่าในอิธิบาสี และในสัมมาปธานสี่นั้นก็เป็นทั้งกัตุกรรมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะดังนั้นจึงขอผ่านไปยังฉันทะประเภทที่สามทีเดียวส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมจึงจัดกัตุกรรมยตตาฉันทะเข้าร่วมกับกุศลธรรมฉันทะจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า